ตอนที่สทุกหารสอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะได้เวลาเลิกงานคุณรู้สึกครื้มอกครื้มใจเพราะวางแผนจะไปดูหนังเรื่องโปรดข่มนี้แต่จูจ่ๆก็ได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นหนึ่งหัวหน้ากำชับว่าต้องทำให้เสร็จในวันนี้คุณหัวเสียขึ้นมาทันทีเพราะรู้ดีว่างานชิ้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคนอื่น แต่เขาลางานกลับบ้านไปก่อนจึงต้องกลายมาเป็นภาระของคุณคุณรู้สึกไม่พอใจเพื่อนคนนั้นอย่างแรงตอนเที่ยงก็ทีหนึ่งแล้วกินน้ำแต่ลืมเก็บแก้วเลยต้องเป็นหน้าที่ของคุณเท่านั้นไม่พอยังซิ่งงานชิ้นใหญ่มาให้คุณทำอีกส่วนหัวหน้าก็ใช่ย่อยควรวางแผนงานให้ดี บ่ายนี้ทั้งบ่ายเจ้าคนนั้นว่างตลอดก็น่าจะมอบงานชิ้นนี้ให้เขากลับนิ่งเฉยครั้นเขากลับบ้านไปแล้วถึงค่อยขยับสุดท้ายก็มาลงที่คุณคุณรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแต่ยังต้องมารับผิดชอบงานของคนอื่นอีกปีที่แล้วฉันได้โบนัสน้อยกว่าเจ้าคนนั้นแต่ทาไมฉันต้องมาทามากกว่าเขา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกซะด้วยที่ฉันต้องมาเจอแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้อีกฉันเห็นจะทนไม่ไหวแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหผลก็คือยิ่งทำงานชิ้นนั้นใจก็ยิ่งทุกข์พ่านหงุดหงิดกับงานจนฝืดไปหมดแถมยังทำผิดทำพลาดอยู่เป็นระยะแทนที่จะเสร็จในเวลาไม่นานก็ลากยาวไปเป็นชั่วโมง งานธรมธรมดาาจึงกลายเป็นงานยากไปอันที่จริงคุณสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้หากใจไม่ปฏิเสธหรือต่อต้านขัดขืนงานชิ้นนี้ตั้งแต่แรกยิ่งต่อต้านขัดขืนมันมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นคนเรามีเหตุผลหลายอย่างที่ต่อต้านขัดขืนมันเช่นไม่ยุติธรรมเลยที่คุณต้องทำงานชิ้นนี้ เป็นงานที่ไม่เหมาะหรือคู่ควรกับคุณหรือตั้งแง่ว่ามันเป็นงานยากเย็นแสนเข็นตั้งแต่แรกเพียงคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวเท่านั้นงานเบาก็กลายเป็นงานหนักไปทันทีความหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มาจากไหนแต่มาจากใจที่มีท่าทีเป็นลบต่อสิ่งนั้นนั่นเองไม่ใช่แต่งานการเท่านั้น ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตจะกลายเป็นเรื่องหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีที่เราต่อต้านหรือปฏิเสธมันตั้งแต่แรกในยามที่ล้มป่วยลำพังความป่วยกายก็ทำให้ทุกข์อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่มักเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกด้วยการมีท่าทีต่อต้านหรือปฏิเสธความเจ็บป่วยนั้นแม้หัวสมองจะยอมรับว่าตัวเองป่วย แต่ใจก็เอาแต่ตีโพลตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันหรือทำไมต้องมาเป็นตอนนี้ความเป็นห่วงงานการหรือครอบครัวยิ่งทำให้ใจต่อต้านผลักไสความเจ็บป่วยไม่เลิกราในเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับเราแล้วแทนที่จะปฏิเสธต่อต้านมันจะไม่ดีกว่าหรือหากเราจะยอมรับหรือดีกว่านั้นคือยิ้มรับมัน เพราะถึงอย่างไรมันก็จะยังไม่หายไปในวันนี้วันพรุ่งถึงแม้จะรักษาตัวดีเพียงใดก็ตามดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรยิ่งถ้าเป็นมะเร็งด้วยแล้วนั่นหมายความว่าก้อนมะเร็งจะต้องอยู่กับเราเป็นปีๆหากไม่อยู่ไปจนตลอดชีวิตเกลียดโกรธมันมากเท่าไหร่เราเองนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์ ขณะเดียวกันก็ทำให้มันลุกลามขยายตัวด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจนั้นเป็นศิลปะแห่งการอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานการที่มาผิดเว ล, เวลางานที่ไม่ถนัดความล้มเหลวความเจ็บป่วยการตกงานหรือความพลัดพลาดสูญเสีย การยอมรับหรือยิ้มรับมันไม่ได้แปลว่ายอมจำนนแต่เป็นการยอมรับความจริงและเป็นวิธีลดทอนความทุกข์ในยามประสบกับสิ่งเหล่านั้นใช่หรือไม่ว่าหากใจต่อต้านปฏิเสธมันความทุกข์ก็จะเพิ่มราวกับคูณสองหรือคูณ3แต่ถ้าใจยอมรับหรือยิ้มรับมันความทุกข์ก็จะลดลงราวกับหารสองหรือหารสาม ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขไม่ควรยอมจำนนแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะตีโพยตีพายก่นด่าชะตากรรมเฝ้าบ่นว่าทำไมต้องเป็นชั้นหรือถอดใจยอมแพ้ว่าไม่ไหวแล้วเพราะไม่ว่าจะบ่นแค่ไหนก็ไม่ได้ทำให้ร้ายกลายเป็นดีได้จะไม่ดีกว่าหรือหากเราจะทำใจให้สงบ แล้วมองไปข้างหน้าว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรดีใจที่สงบจะช่วยให้เราเห็นทางออกที่ดีที่สุดจนได้